วจนะของพระเจ้าในวันนี้มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมโรมบทที่16ข้อหนึ่งถึง15ความว่าข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบีผู้เป็นมัคคณายิกาในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเครีขอท่านรับนางไว้ ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามควรแก่ธรรมิกชนและขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางได้ช่วยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังเปริสคาและอารกวิลาผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริส ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ข อ, ขอขอบคุณเขาด้วยและขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่บ้านเขาด้วยขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชียขอฝากความคิดถึงมายังมารีผู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลายขอฝากความคิดถึงมายังอันโดนิคัสและยูเนียสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าและได้ถูกจำจอง ร่วมกับข้าพเจ้าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกอครทูตทั้งได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายัางอัมพริอาทัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางโอราบานัสผู้ร่วมงานกับเรา ในพระราชกิจของพระคริสต์และขอฝากความคิดถึงมายังสกาคริสที่รักของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอาเปเลสผู้เป็นที่พอพระทัยของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรนิออนญาติของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังคนในเครือเรือนของนาซีซัสที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังทรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รักผู้ได้ปฏิบัติงานมากมาย ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางลูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพระเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายัางอาซีนักคริสทัสเฟเลกร์เฮเมสปัตโลบัส เฮอมาสและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากความคิดถึงมายัางฟิโลโลกัสยูเลียและเนเรอยสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาธ ร, รมิกชนที่อยู่กับคนเหล่านั้น พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราระลึกถึงวันเกิดของกิตติจักรนะครับเป็นวันสถาปนากิตติจักรวัฒนา94ปีตั้งแต่ปี1922และพรวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในรวบทที่16เนี่ยหลายๆท่านก็คงจะมีความสงสัยว่าแล้วอาจารย์เอามาเทศนาอย่างไงบ้างเพราะว่าเป็นชื่อคนนะครับพี่น้องครับในประเทศ ที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือคิดศาสนาเนี่ยนะครับจะมีคำที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับทั้งอยู่ในคริสจักรและนอกคริสจักรเนี่ยอยู่สี่คำด้วยกันคำแรกนะครับก็คือคำว่า church นะครับ church หมายถึงคนที่ไปนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอหมายถึงคนที่เข้าเรียนในชั้นเรียนรวีนะครับชั้นเรียนพระกัมพีในโบสถ์มีสามัคคีธรรมแล้วก็ หมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตแบบลูกของพระเจ้านี้เป็นคนคนกลุ่มแรกนะครับเชิร์ชคำที่สองครับก็คือ u n c h u ิ c h ชอันเชิร์ชนี่หมายถึงคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าครับ u n c h ชิร์นี่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของคริสเตียนหรือเป็นคนนอกเป็นคนของโลกซึ่งเขาต้องการความรอด เขาต้องการพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านทางการรับเชื่อพระเยซูนะครับหมายถึงคนที่ยังไม่รับเชื่อนั่นเองคำที่สมครับก็คือคำว่า d e c h u r c h d d c h u r c h หมายความว่าคำว่าดีคือคำว่าเอาออกนะครับ dechurch หมายความว่าเอาคริสตจักรนี่ออกจากคนคนที่มีเช r c h อยู่ในชีวิตของเขานะครับคนที่ dechurch ก็คือคนที่ถูกเอาพระเจ้าออกไป อันนี้หมายถึงบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนหรือลูกหลานคริสเตียนหรือบางคนที่รับบัพติสมาเด็กนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ที่จะพามารีรวีหรือจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทำให้เขาเนี่ยได้ปฏิเสธพระเจ้าไม่อยากเอาพระเจ้าคำว่าดี e church ก็คือเอาพระเจ้าออกจากชีวิตของเขาไปแล้ว คำที่สี่ครับเป็นคำที่อยากจะให้เกิดนะครับในการฉลองขอบคุณพระเจ้าเก้าบปีของคริสต์วันนาก็คือ recharge Re r e Re c h a r c h หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ถูกดี c h ิร์ชไปแล้วนะครับและพระเจ้าก็ยังให้โอกาสเขาและให้โอกาสพวกเราซึ่งเป็น church ที่มาประจำอยู่ทุกอาทิตย์นะครับได้มีโอกาสไป recharge คนเหล่านั้นที่ได้ออกจาก ความเป็นคริสเตียนและกลับเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับผมเทศนาเสมอพระเจ้าให้โอกาสเราเสมอจนกว่าลมหายใจจะหมดจากร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้โอกาสพี่น้องที่ถูกดีเชิไปแล้วนะครับให้กลับมาเป็นรีเชิญและให้กลับมาเป็นเชิญในที่สุดโดยผ่านทางการรับใช้ของพวกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ เป็พพนพระวจนะของพระเจ้าในในพระธรรมโรมบทที่16นี่นะครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่พอเวลาเราอ่านพระคัมภีร์โรมเนี่ยเรามักจะข้ามไปนะครับพอหมดข้อบทที่15้าปุ๊บเนี่ยบทที่สิบหกปุ๊บอ่านข้อสองข้อไอ้คนนี้เราก็ไม่รู้จักนะครับคนนั้นเราก็ไม่รู้จักแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือว่าคนเหล่านั้นที่เราไม่รู้จักครับแต่อคาทูสเปาโลเขียนรายชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์โรม นะครับหนึ่งใน16บทเนี่ยเป็นรายชื่อของคนเหล่านี้ที่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับผมจะเริ่มต้นจากคนแรกก่อนเขาชื่อว่าเฟลบีนะครับหรือฟิลบีฟิลบีนั้นเป็นมคณายิกาในเครจักรที่อยู่ที่เมืองเคนเดียผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นคนที่มีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นๆมากมายครับในการสงเคราะห์และช่วยเหลือท่านอักระปาโลด้วย เรืนี่คือสิ่งที่ปาวโลนั้นได้คิดถึงนะครับในฐานะที่เป็นท่านเป็นอัครทูตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยได้คิดถึงคนที่อยู่ในคริสตจักรที่ท่านได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยได้มีโอกาสแตะต้องชีวิตของกันและกันมีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนี่นนเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายซึ่งอยู่ในคริสตจักรวัฒนาแห่งนี้เราจะต้องมีหัวใจที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและก็คิดถึงกันและกัน คร้นตจากของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสครับเพราะฉะนั้นเราจึงน่าจะมีความภาคภูมิใจเราจะมีความสุขมีความชื่นชมินดีเพราะเราเป็นหนึ่งในขึ้นตจากของพระเจ้าที่นี่เราเป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายโดยที่มีพระเยซูเป็นศีรษะหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ของผมก็คือว่าคริสจักรของพระเยซูคริส คริสจักรของพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคริสจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายนะครับไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเป็นมอร์มอนนะครับแต่คริสจักรของพระเยซูคริสต์แท้นะครับเป็นคริสจักรที่มีพระเยซูเป็นศีรษะและเรามีพระเจนะเพียงแค่เล่มเดียวก็นะ ค, คือพระคิัรรมภีร์ซึ่งรวมทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ด้วยเหตุ น, นี้เราจึงไม่ยอมรับคัมภีร์มอร์มอนเราไม่ยอมรับคัมภีร์ของทางพระเยโฮวา นะครับพยานเพียววาหรือคัมภีร์อื่นเรารู้ว่าพระคัมภีร์เดียวที่ถูกดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือ พ, พระคิด圣经อัมภีหรือเรียกว่า holy bible ซึ่งมี6กสิเล่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะมีความภาคภูมิใจที่เราอยู่ในเครือจักรที่มีคําสอนที่ดีและถูกต้องตามพระวชนะของพระเจ้าและเราจะต้องมีความชื่นชมนี้และมีดีใจมากเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นสมาชิก ในครอบครัวของพระเจ้าในเนื้อเพลงที่คณะนักร้องได้ร้องถวายในเช้าวันนี้ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันครับและความห่วงใยซึ่งกันและ ก, กันควรจะเกิดขึ้นในครอบครัวของพระเจ้าควรจะเกิดขึ้นในบรรดาคนที่รับการชําระให้บริสุทธิ์โดยพระฤทหิตของพระเยซูเป็นการคิดจักรวัฒนาเรานะครับเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ครับเป็นคริส จ, จักรของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ไถ่เราด้วยราคาสูงลิ่ว พระองค์ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ผ่านสาวกของพระองค์ผ่านบุคคลที่รักคริสตจักรมากมายทุกยุคทุกสมัยและพระองค์ได้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรก็คือพวกพวกเราทุกหลายทุกคนและพระองค์ทรงรักเราเหมือนอย่างที่รักเจ้าสาวของพระองค์พี่น้องครับถ้าถามว่าคริสตจักรคืออะไรมีหน้าที่ทําอะไรบ้างผมอยากจะตอบนะครับว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรนั้นคือคนครับคือผู้คน คิดจากนั้นไม่ได้มีพิธีกรรมภายนอกแต่มันเป็นหัวจิตหัวใจของผู้คนและท่าทีภายในใจของคนที่มีต่อพระเจ้าคิดาจากนั้นไม่ได้เป็นวิหารที่สวยงามแม้ว่าเราจะมีวิหารที่สวยงามเรานั่งอยู่ในวิหารที่สวยงามแต่คิดจาก sey, ไม่ใช่เป็นวิหารที่สวยงามนี้แต่เป็นสามัคคีธรรมที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้าจะมีกับพระเจ้าและมีกับเราทั้งหลายซึ่งกันและกัน ครื่อจักรนั้นคือตัวเราครับที่อธิษฐานไม่ใช่สถานที่ที่เราจะอธิษฐานครื่อจักรมีโครงสร้างไม่ใช่เป็นก้อนอิฐหรือศิลาหรือเสื้อเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ภายนอกแต่คริ่อจักรนั้นเป็นความปรารถนาที่เราจะแสวงหาพระเจ้าจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจะดําเนินชีวิตตามการทรงนําและพระคุณความรักของพระเจ้าที่จะนําทางชีวิตของเราพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่ออาการสถานที่นี้นะครับมีวันหนึ่งอาคารสถานที่นี้อาจจะต้องถูกลื้อไปแต่พระเยซสูสิ้นพระชนเพื่อคนในคริสตจักรก็คือเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นในพระธรรมโรมบทที่16นี้ถ้าดูเผิอๆ น, น, นะครับเราจะรู้ว่าเหมือนกับจะเป็นจดหมายส่วนตัวครับแต่พี่น้องครับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเพิ่มเติ ม, ตมบทที่สบ เข้ามาอยู่ในพระดำรรมเข้ามาอยู่ใ น, นพระคิสามัมภีที่เราอ่านไปเนี่ยนะครับจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความสําคัญหรือเรียกเที่ยวว่าในยะสําคัญที่ทําไมคนเหล่านี้อาจารย์เปาโลหรืออาคาัครทูตเปาโลเนี่ยต้องเอ่ยชื่อเขาทีละคนทีละคนทีละคนถ้ า, าสังเกตดูนะครับมีทั้งหมด28คนที่อยู่ในบทนี้เขาสําคัญถึงไหนถึงขนาดไหนเขาสําคัญถึงขนาดที่เปาโลจะต้องยกชื่อของเขาขึ้นมาเขียนเช่นพริซิล่า a าคิล a ในข้อที่3 r u f ู s นะครับในข้อที่13 r u f ม s คนนี้นะครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสกลับไปอ่านมาระโกบทที่15นี้เราจะรู้ว่า r u f ั s คนนี้นะครับนักวิชาการท่านกำพีเนี่ยเชื่อว่าคนนี้เป็นลูกชายของซีโมนชาวไซรินพี่น้องคุณๆไปขับซีโมนชาวไซรินก็คือคนที่แบกกางเขนแทนพระเยะซูนี่แหละครับและยังมีพี่น้องเข้าอีกคนหนึ่งชื่ออะเล็กซานเดอร์ เป็นคนที่มีชื่อเสียงในชุมชนคริสเตียนสมัยนั้นหรือเอพิเนตุสในข้อที่ห้าเพราะว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกที่มารู้จักกับพระเจ้ากับใจใหม่และสุดท้ายก็จะมีะคนที่ชื่อว่าแอนโดนิคัสกับจูนิอัสในข้อที่เจอันนี้เป็นญาติของท่านเปาโลพี่น้องครับนี่คือบางส่วนใน28ดคนที่เปาโลเอ่ยนามจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเปาโลไม่เขียนชื่อของเขาเหล่านี้คนเหล่านี้ เราก็ไม่รู้จักแต่คนในสมัยนั้นรู้จักครับและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าพระเจ้ารู้จักคนเหล่านี้เหมือนกับที่พระเจ้ารู้จักเราทั้งหลายทุกคนเพราะฉะนั้นจากรายชื่อของพี่น้องเหล่านี้ที่ได้ถูก list ไว้นะครับในพระธรรมโรมบทที่16เนี่ยเราได้บทเรียนอยู่3ประการด้วยกันครับบทเรียนแรกนะครับก็คือเรานะครับเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรา อย่างดีพระเจ้ารู้จักชื่อของเราเหมือนอย่างที่อักขรุปาโลนั้นได้รู้จักลูกแกะของเขาและได้เขียนชื่อของเขาแต่ละคนแต่ละคนที่ได้มีส่วนในชีวิตของเขาเพียงครับในรพระธรรมพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่ได้มีข้อที่พิสูจน์เยอะแยะมากมายนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราเป็นอย่างดีพระเจ้ารู้จักชื่อของเรา ในพระธรรมนาหูมบทที่หนึ่งข้อที่เจดได้อ่านอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าประเสริฐทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบากพระองค์ทรงรู้จักนะครับพระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ถ้าเราเป็นผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านะครับพระเจ้าจะรู้จักเราอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านี่พระเจ้าจะรู้จักเราอย่างดีอย่างแน่นอนคำว่ารู้จักสําหรับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นความการรู้จักผิวเผินนะครับ ไม่ใช่เป็นการรู้จักแบบคนธรรมดาทั่วไปรู้จักแต่การรู้จักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนนั้นเป็นการรู้จักในระดับลึกลึกถึงขนาดที่ว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะรู้แม้กระทั่งความคิดต้นตอความคิดแรงจูงใจความรู้สึกท่าทีภายในของเราซึ่งเราอาจจะซ่อนไว้สำหรับใครบางคนแต่ไม่สามารถซ่อนไว้ต่อพระเจ้าได้ในพระธรรมอีกตอนหนึ่งหนึ่งโครินโบที่8ข้อที่ส แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่รักพระเจ้าใครก็ตามที่รับใช้พระเจ้าด้วยความรักใครก็ตามที่ตอบสนองตอบพระคุณของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ตอบรักคนอื่นตามที่พระเยซูปรรถนาคนคนนั้นพระเจ้าจะรู้จักเขาครับในพระธรรมยอห์นบทที่10บข้อที่14 พระเยซูได้พูดถึงลูกแกะของพระองค์ทุกทุกคนรวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้พระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแก่ของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าตรัสนะครับหรือพระวิญ ญ, ญาณพูดเราจะคุ้นเคยมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของเราทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะมี เหตุที่ทําให้เรามั่นใจว่านี่คือน้าพระทัยของพระเจ้าที่บอกกับเราในทุกๆวันทุกวันทุกๆเช้าที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกๆครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกๆครั้งที่เราฟังคําเทศนาไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่เราจะเข้าใจและเราจะคุ้นเสียงของพระเจ้าว่านี่คือเสียงที่พระเจ้าบอกกับเราเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีครับปรองรู้จักแกะของเราและเราก็รู้จักพระองค์ ในวิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลแห่งหนึ่งครับอาจารย์ท่านหนึ่งออกข้อสอบหนึ่งในข้อสอบนะครับข้อสุดท้ายอาจารย์ถามนะครับพวกนักศึกษาพยาบาลปีสุดท้ายก่อนที่จะจบออกไปคําถามของอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าจงบอกชื่อของ เจ้าหน้าที่รอปภที่ดูแลพวกเราบกรถพวกเราปิดตึกให้กับเรารักษาความปลอดภัยให้กับวิทยาพยาบาลของเรามาหนึ่งชื่อพร้อมนามสกุลปรากฏว่านักศึกษาพยาบาลนะครับเมื่อเห็นคำถามนี้หัวเราะทุกคนเลยแต่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ดูคำถามแล้วตลก ทุกคนเนี่ยเดินผ่านรอปภวัยกลางคนซึ่งมีอายุ50ปีผมใช้คําว่าวัยกลางคนนะครับ50ปีเนะี่ยเดินผ่านทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลา4ปีด้วยกันครับเดินผ่านทุกวันแต่มีเรียกว่าศูนคนหรือมีน้อยคนที่รู้จักชื่อจริงและนามจริงนามสกุลจริงของเขานักศึกษาส่วนส่วนเรียกว่าร้อยเปอร์ซตครับตอบไม่ได้อาจารย์ผู้สอนก็ได้ ถูกต่อว่าว่าทำไมอาจารย์ออกข้อสอบแบบนี้มันเป็นข้อสอบที่มันอะไรครับเขาเรียกว่าไรสาระมากเลยถามชื่อของรอปพนักศาเหล่านั้นได้รับคำตอบจากอาจารย์ว่าในวิชาชีพของพวกคุณคุณจะต้องพบกับผู้ป่วยและผู้คนมากหน้าหลายตาและพวกเขาทุกๆคนต่างก็มีคุณค่าพอที่จะรับความเอาใจใส่และการดูแลจากพวกคุณ เช่นคำทักทายคำสวัสดีรอยยิ้มการให้กำลังใจรวมรวมถึงการไต่าถามสารทุกขุกติบเพีังครับนักศึกษาพยาบาลเหล่านั้นหลายคนได้ตื่นตัวเห็นความสำคัญจึงไปทำการบ้านหลังจากการสอบว่าไหนที่สุดแล้วรอพอท่านนั้นชื่อนี้นี้นน บทเรียนในพระธรรมโรมบทที่16นี้บอกกับเราว่าพระเจ้ารู้จักชื่อของเราครับพระองค์ทรงรู้จักเราในระดับลึกและการที่เราครับได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูทําให้ชื่อของเราถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตพระเยซูรู้จักเราทั้งหลายทุกคนครับและพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ประเสริฐพระองค์ทรงห่วงใยเราทรง ส, งสนใจเรารู้จักชื่อของเราและรู้จักเราอย่างลึกซึ้ง ผมวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องที่ได้อ่านพระธรรมโรมบทที่16ในเช้าวันนี้ไปด้วยกันและได้ฟังพระชนะพระเจ้าไปด้วยกันเนี่ยเราจะมีความมั่นใจว่าชื่อของเราถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วและมีวันหนึ่งครับพระเจ้าจะเรียกหรือขานชื่อเราในเพลงบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าขันเรียกชื่อที่เมืองกเกษมสุขขันเรียกชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับพระเจ้าจะเรียก ขานชื่อของเรานะครับนายศึกษาเทพอารีผมก็จะยืนรายงานบอกว่ามาครับประการที่สองครับของบทเรียนในพระธรรมโรบที่16ในเช้าวันนี้ก็คือบทเรียนที่ว่าไม่มีใครไม่สำคัญสำหรับพระเจ้าผู้ในทางกลับกันก็คือว่า เราทุกคนต่างสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและมีคุณค่าสูงถามว่ามีคุณค่าสูงไม่ใช่เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินหรือไม่ใช่เพราะว่าเราประสบความสำเร็จแต่ในสายพระเนตรของพระเยซูเรามีคุณค่าสูงต่อพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นทรงไถ่เราด้วยราคาที่สูงและราคาที่สูงของการไถ่ของพระเยซูคือพระชนชีพของพระองค์เองพระเยซู ได้ซื้อคริสจักรด้วยพระโลหิตและชีวิตของพระองค์ในพระคมภีบอกว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงพระเจ้าได้คริสจักรมานะครับหมายความว่าซื้อครับซื้อคริสจักรมาด้วยชีวิตของพระองค์เองในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่หกข้อยีครับพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเราได้ความรอดฟรีๆนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นความรอดที่ไร้ค่าเป็นความรอดที่มีคุณค่าแต่เราไม่เสียอะไรเลยพระเจ้าพระเยซูเองทรงจ่ายค่าไถ่ที่มีต่อความบาปของเราอย่างสูงสุดก็คือชีวิตและพระหิทของพระองค์เพียงดูนะครับสาวก12คนถามว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงไหมประสบความสำเร็จไหมมีบุคลิกภาพที่ดีไหมดึงดูดผู้คนไหมเป็นนักธุรกิจใหญ่หรือเปล่า เป็นสมาชิกสภาเันเทดดินหรือเปล่าหรเป็นผู้นํำในสังคมหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับสิบสองคนซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนั้นส่วนนึงเป็นชาวประมงที่ต้องออกเรือหาปลาหาเชา้ากินขําหาขํากินเชา้านะครับกลางวันก็ต้องชักซักอวนชุนอวนที่ขาดบางคนตัดซ่อมเรือเวลาที่พระเยซูเรียกสาวกของพรงะองค์แต่ละคนแต่ละคนก็กำลังทําทหน้าที่ของเขาอยู่นะครับเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้เป็น อะไรที่สูงส่งในสังคมสาวกบางคนก็เป็นคนเก็บภาษีที่สังคมรังเกียจเพราะว่าพวกคนเก็บภาษีนั้นเป็นลูกน้องเป็นขี้ข้าของพวกโรมครับเพราะต้องเก็บภาษีส่งสวยพวกโรมบางคนนะครับก็เป็นพวกที่คิดเล็กคิดน้อยเอารัดเอาเปรียบอย่างเช่นยูดาสยูดาสอิสคาริโนะครับ บางคนก็เป็นพวกหัวรุนแรงอาจจะเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายก็ได้เพราะว่าเขามีชื่อว่าซีโมนพักชาตินิยมครับความจริงแล้วจะต้องซีโมนนมสกุลนะครับหรือซีโมนชาวอะไรนะครับแต่นี่ซีโมนพักชาตินิยมก็คือว่าชีวิตเนี้ยอุทิศแล้วเพื่ออุดมการที่จะรักชาติซีโมนพักชาตินิยม ถ้าเป็นในสมัยนี้นะครับก็คงจะเข้าร่วมก่อกระบวนการ ก, การก่อการร้ายอย่างแน่นอนสาวกของพระเยซูทั้ง12คนเนี่ยมีหลายประเภทครับแต่ไม่มีใครเลยที่เป็นคนที่มีเรียกว่ามีเงินทองมากสูงส่งประสบความสําเร็จเป็นคนที่สังคมยกย่องนับหน้าถือตาแต่พระเยซูก็ให้ความสําคัญกับเขาเหล่านั้นทุกทุกคน ไม่มีใครไม่สําคัญสําหรับพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ถ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นําของคริสตจักรใครบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่กําลังประสบกับความล้มเหลวหรือใครบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่กําลังเติบโตกําลังเจ็บป่วยกําลังมีความทุกข์ยากลําบากกําลังมีวิกฤตในชีวิตกำลังมีปัญหาอุปสรรคของชีวิตพี่น้องครับอย่าลืมครับว่าเราสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมย์ไหมครับ เราสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราเข้ามาหาพระเจ้าได้บางคนกําลังมีปัญหาชีวิตบางคนกําลังมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ยากลําบากบางคนกําลังอยู่ในทางเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ตัดสินใจคําบสำคัญของชีวิตเป็นนะครับเราทั้งหลายสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสอยู่ในเครืจักรของพระเจ้าที่มีคนอธิษฐานเผื่อ พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าผู้เจ็บป่วยทุกคนเนี่ยนะครับที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนหรือที่เราทราบเนี่ยหรือผู้อาวุโสนะครับที่เรารู้จักเราทราบในเคลียร์อของเราทุกคนจะได้รับการอธิษฐานเผื่อจากศิลปิบาลและบรรดาสมาชิกผู้ปกครองนะครับในทุกๆวันในนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราต้องการกระบวนการที่จะอธิษฐานเผื่อ คริด จ, จักรของเราอธิษฐานเผื่อท่านผู้อุศอธิษฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วยอธิษฐานเผื่อพันธกิจต่างๆก็เถียงของเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครไม่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าประการต่อไปครับพระเจ้าให้เราสร้างคริด จ, จักรโดยให้ความสําคัญกับทุกคนเท่าเทียมกันผมอยากให้พี่น้องได้อ่านนะครับในยากรบทที่สองข้อที่หนะครับยากรบบทที่สองข้อที่5้าเชิญ อ, อ่านพร้อมกันนะครับ พี่น้องที่รักจงฟังเถิดพระเจ้าทรงเลือกผู้ยากไร้ในสายตาชาวโลกให้ร่ำรวยในความเชื่อและให้ครองอาณาจักรที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่ถ้าท่านลำเอียงท่านก็ทำบาปและบทบัญญัติก็ได้ตัดสินแล้วว่าท่านเป็นผู้ละเมิดบทบัญญัติสาวกของพระเยซูนะครับไม่ใช่เป็นพวกที่มีความรู้ มีสถานภาพสูงในสังคมไม่แม้กระทั่งมีบุคลิกที่ประทับใจคนหรือไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่ถวายมากการถวายนะครับบางคนเนี่ยถวายมากเพื่อเอาหน้าสาวกไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าม่มีตังนะครับพี่น้องครับในปี1938มีวารสารหนึ่งที่มีชื่อเสียงครับได้ตีพิมพ์เรื่องราว ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบเวอรี่สติลเอเวเรตผู้หญิงคนนี้นะครับเขาประกาศในเชิงประชดประชันก็ประกาศนี่ครับว่าพระเจ้าของดิฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าของดิฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ลำเอียงหูบอดเสียงดนตรีหูบอดเสียงดนตรีก็คือว่าเวลาคนร้องเพลงนะครับคนหนึ่งเขาร้องถูกคีอีกคนหนึ่งก็จะ ร้องไม่ถูกคีย์แต่ถ้าคนที่ฟังเสียงดนตรีไม่เป็นเนี่ยเขาจะนึกว่าก็ร้องเหมือนกันนะครับคนที่ร้องไม่ถูกคีย์หรือที่ว่าออฟคียเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาร้องเนี่ยนะครับเสียงร้องของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับมาตราฐานที่คนอื่นร้องก็ เ, เรียกว่าหูบอดเสียงดนตรีทําให้ร้องออกมาเนี่ครับก็ไม่ตรงเสียงเขาบอกพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ถามว่าทําไมพระเจ้าเป็นอย่างนี้ โอ้ก็เด็กเล็กๆนี่อายุห้าขวบเนี่ยร้องเพลงยังไม่ค่อยเป็นเลยนะทำไมอาจารย์ศิลปิบนบอกว่าเนี่ยพระเจ้าโปรดปรานเสียงแบบเนี้ยนะครับมากพอๆกับเสียงของโซโล่ในการร้องเพลงเมสซายาทำไมพระเจ้าโปรดปรานเท่ากันล่ะพระเจ้าหูบอดเสียงดนตรีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เอเวอเรตนะครับได้พยายามที่จะสื่อให้กับสังคมในปีหนึ เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ฟังดนตรีไม่เป็นเพราะไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเด็กห้าขวบร้องไม่ตรงบันไดเสียงกับพ้องกับแพ่งก็มีความสวยงามไพราะเท่ากับนักร้องที่ฝึกฝนมาอย่างดีพระเจ้านับเลขไม่เป็นทำไมพระเจ้าดีใจกับเงินเศษสตังค์ของนักเรียนอนุบาลที่เทวายในชั้นวีศึกษาเท่ากับเงินบริจาคนับหมื่นนับแสนของคนรวยพระเจ้านับเลขไม่เป็น พระเจ้าไม่สามารถใส่ใจได้ทั้งหมดกับคำอธิษฐานของคนนับแสนนับล้านที่อธิษฐานพร้อมๆกันในโบสถ์ในการนำ้ำมการหรือพระเจ้าสายตาไม่ค่อยดีครับถามว่าทำไมพระเจ้าสายตาไม่ค่อยดีเพราะว่าพระองค์ไม่ได้มองมองตัวฉันไม่ได้มองฉันไม่ได้เพ่งและรู้สึกว่าตอนนี้ฉันลาบากนะฉันแย่อยู่นะฉันรู้สึกไม่ดีนะฉันกำลังหงุดหงิด ฉันกำลังกังวลฉันก็มีปัญหาอยู่ทําไมพระเจ้าสายตาไม่คดีมองไม่เห็นฉันหรือหรือพระเจ้าไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยซึ่งรักพระเจ้าเนี่ยฉันเป็นอย่างเนี้ทําไมพระเจ้าไม่ช่วยฉันสักทีทำไมพระเจ้ามองฉันแบบอยากจะให้ฉันเป็นมากกว่ามองที่ตัวฉันว่าฉันเป็นอะไรเบอร์รี่สติลแอดเวเรนั้นกําลังบอกอะไรกับเราครับ เขาบอกในแง่ของการประช็อ ป, ประชัน ค, ครับว่าแท้จริงเราทั้งหลายที่มีความสามารถยิ่งใหญ่เป็นคนที่โลกนับถือเป็นคนทีส่สังคมให้เกียรติสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวช่วยหรือปัจจัยที่ทําให้พระเจ้าพอพระทัยหรือประทับใจแต่ในทางตรงกันข้ามครับพระเจ้าจะประทับใจเราก็ต่อเมื่อเรากระตือร้นเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่างหาก นี่คือสิ่งที่เบ v e r รีเอ r e t เรตอยากจะสื่อสารครับพี่น้องครับเราทั้งหลายควรจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าประทับใจเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าประทับใจโดยการเชื่อฟังพระองค์โดยการรับใช้พระองค์โดยการทำตามธรรมธัยของพระองค์ให้ชีวิตของเราน่้นทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเพื่อที่เราจะถวายเกียรติ แต่พระเจ้าด้วยชีวิตและการดำเนินชีวิตของเราเแต่ละวันเพื่อที่เราจะเป็นคนที่สําคัญทุกทุกคนเท่าเทียมกันในสายประเุศของพระเจ้าบทเรียนสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับคริสตจักรในกรุงโรมนะครับเราจะเห็นว่าเขาอยู่เพื่อกันและกันเขาอยู่เพื่อกันและกั น, เ ข, เ, ก น, กนเขาอยู่เพื่อเลี้ยงดู เขาอยู่เพื่อห่วงใยกันและกันสแสดงออกถึงความห่วงใยนะครับในลักษณะของการประพฤติการทำออกมาไม่ใช่แค่ที่ปากพี่น้องครับเมื่อเรารักกันและกันตามความหมายของพระเยซูคนอื่นๆจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของกันและกันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนอื่นๆที่เฝ้ามองเอยู่นี่นะครับเขาจะเห็นพฤติกรรมของเรา ที่มีต่อพี่น้องของเราในขึ้นจักเนี่ยทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ใช่เราเจอกันในขึ้นจักรนะครับเราก็จะใส่หน้ากากาเข้าหากันพูดพูดไพเราะนะครับหากันแต่ข้างหลังไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในกึ้จักรของพระเจ้านะครับเขาเรียกว่ารอยยิ้มที่ซ่อนมีดอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างต่อกันและกันที่ไม่จริงใจ แต่พระเจ้าของพระเจ้าใช้คําว่าซึ่งกันและกันนั้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ7และข้อ11นะครับได้บอกว่าคอยเรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักนั้นมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรายามใดก็ตามมีความรังเกียจมีความกโกรธมีความเกลียดพี่น้องของเรานะครับเราต้องกลับไปสํารวจชีวิตของเราครับว่าเราได้บังเกิดจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าถ้าบังเกิดจากพระเจ้าจริงๆนะครับ พุกเข่าลงอธิษฐานขอพระเจ้าหยิบยกเอาความไม่พอใจความโกรธและความเกลียดนั้นออกไปนะครับเราจะสามารถรักผู้ที่พระเจ้าทรงรักได้โรมบทที่12ข้อ10และ16ครับได้บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียดเกลและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลายๆครั้งทวาีก่อนสุดท้ายนะครับ ที่ว่าจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเนี่ย MM มันไม่ค่อยเกิดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอีโก้เรามั yeah. okay. นแรงนะครับอีโก้เรามันแรงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราถูกเสมอเราดีกว่าคนอื่นเสมอแต่พระคัมภีร์สอนเตือนพี่น้องและเตือนผมด้วยว่าเราจะต้องมีทัศนคตินะครับประจําใจของเราประจําตรงเราว่าให้เราถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวคือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใญ่ดีวยวกันเกิดครับกาลเทศบทที่ห้าข้อสิบสาจงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงนะครับที่อยู่ในพระธรรมโรมบทที่สิหกเนี่ยหลายหลายคนเลยนะครับได้รับใช้กันและกันด้วยความรักรับใช้คริสจักรรับใช้สังคมรับใช้คนที่มีความต้องการยากจนยากไร้เจ็บป่วยคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่พระเจ้าละลึกถึง เอเฟซัสบทที่สข้อสสองครับจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันอภัยโทษให้กันและกันเหมือนดังที่พระเจ้าได้โปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์ฮีบรูบทที่1ิบข้อ25อสายาขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันและกันให้มากขึ้นสองเปโตรบทที่สี่ข้อ9้าท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บน่น เพราะนครับคำว่าซึ่งกันและกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในห้อมพีอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูต้องการในคริสจักรของพระเยซูคริสต์ถ้าเราบอกว่านี่คือคริสจักรวัฒนาของพวกเราหรือของกลุ่มเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับคริสจักรวัฒนาของพระเยซูคริสต์และเราจะต้องทําซึ่งกันและกันครับและไม่มีใครเป็นเจ้าของคริสจักรเว้นไว้แต่พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะและเป็นเจ้าของคริสจักร เองครับผมทบทวนนะครับก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้พริซิลาและอะควิลาเสี่ยงชีวิตเพื่ออาจารย์เปาลูและคื้นจักของคนต่างชาติมารี Marie. ไม่รู้มารีไหนนะครับทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้หญิงหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่พระเจ้ารู้จักเขาทำงานหนักถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าอาพาริสถูกทดสอบผ่านความทุกข์ยากลา บ, บาก ทดสอบความเชื่อของเขาด้วยการข่มเหงเขายอมทนทุกข์เพื่อพระเยซูสังเกตนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าท่านอัครทูตเปาโลเนี่ยไม่ได้เรียกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่งที่นั่งหรือมานั่งครับภาษาอังเกตษเรียกว่าพิวสบอกว่าอัครทูตเปาโลไม่ได้เรียกทุกคนที่อยู่ในพิวสแต่ครูเ ป, ปาโลนั้นเรียกทุกคนที่อะไรครับที่สัตซ์ซื่อและรับใช้พระเจ้า คนเหล่านี้พระเจ้ารู้จักเขาพระเจ้าเล็กขอกไนสเขาเล็กขอกไนสเขาพระเจ้ารู้จักเขาอย่างดีครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าได้ให้ความสําคัญกับผู้ที่ทําตามพระประสงค์ของพระองค์ในการดูแลซึ่งกันและกันในการประกาศในการเลี้ยงดูในการสร้างสาวัเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสิ่งที่เราทําอยู่นี้ครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจนะครับสิ่งที่เราทําอยู่นี้จะส่งผลต่ออนาคตจนถึงชีวิตนิรันดรพี่น้องต้องเลือกเอาแล้วครับว่าท่านจะทําอะไร สิ่งที่ท่านทำอยู่นี่จะตัดสินอนาคตระดับชีวิตนิรันดรว่าเราจะได้อะไรและเราจะทำอะไรคิดจักรประกอบด้วยคนที่ปฏิเสธตัวเองอีโก้ต่าเหมือนอย่างที่ยอนผู้ให้บัพติศมาบอกว่าพระเจ้าพระเยซูต้องสูงขึ้นข้าพเจ้าจะต้องดอยลงคิดจักรประกอบด้วยผู้คนที่ไม่สนใจเรื่องอนานาจและตาแหน่งไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อก็รับใช้ได้ ไม่ต้องให้ผู้อื่นมายกย่องก็รับใช้ได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาชมเชยก็รับใช้ได้เพราะคนเหล่านี้มีหัวใจอยู่อย่างเดียวมีวิญญาณเดียวก็คือการที่เขาอยากจะรับการยอมรับและคําชมเชยจากนายเพียงคนเดียวของเขาที่อยู่บนสวรรค์ครับคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์คนที่อธิษฐานเผื่อขึ้นจากทุกวันไม่มีใครเห็นครับเพราะอาธิษฐานที่บ้านเผื่อคนที่เจ็บป่วยเผื่อผู้วุฒสเผื่อพี่น้องที่มีความทุกข์ยากลาบากคนที่ยกหูโทรศัพท์ หรือลายเข้าไปส่วนตัวให้คำหนุนใจห่วงใยแสดงความเอาใจใส่บุคคลเหล่านี้ะครับเป็นบุคคลในพระไทยของพระเยซูพระเจ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งครับบนสวรรค์จดชื่อพวกเราและพระเจ้าจะประทานบำเหน็ตที่ไม่เสื่อมสลายและการยกย่องของพระเจ้านั้นอยู่นะครับสูงยิ่งเหนือคำยกย่องของคนทั้งหลายคำชมเชยจากพระองค์นั้นมีผลชีวิตนิรันดร คำชมเชยจากพระองค์เพียงครั้งเดียวนะครับมีผลนิรันดร์ไม่เหมือนกับคําชื่นชมของมนุษย์ที่อาจจะมีความเครือบแฝงมีวัชซ้อนเลนมากมายเยอะแยะพี่น้องครับบุคคลในรวมบทที่16นี้เป็นเซนต์นะครับทำรร ม, มิกชนุนข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงบรรดาทำ ม, มิกชนคือเซนต์เซนที่เขาเป็นอยู่นั้นไม่มีใครยกย่องมีแต่พระเจ้ายกย่องและผู้รับใช้พระเจ้าอย่างอาจารย์เปาโล ถึงจะมองเห็นคนเหล่านี้และคนที่อยู่ในคริสตจักรก็จะมองเห็นคนเหล่านี้เช่นเดียวกันก็จะยกย่องพวกเขาคริสตจักรวัฒนาของเราปีนี้94ปีนะครับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีท่านใดแน่ใจว่าในสมุดของพระเจ้าเมื่อเปิดถึงหน้าคริสตจักรวัฒนาเมื่อเปิดถึงหน้าคริสตจักรวัฒนาชื่อของเราจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเหมือนกับโรมบทที่16กครับ พอเราเปิดมาถึงรวมหมที่16นะครับเราจะเห็นชื่อเหล่านั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้จักแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าเปิดหนังสือของพระองค์มาถึงหน้าขติจักรวัฒนาพี่น้องครับเราจะอยู่กันครบทุกคนอาเมนนะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและทรงอวยพระพรในวันและลึกถึงวันเกิดวันสรรมนาการแต่งตั้งนะครับของกิจักรของพระเจ้า